ความนวยพรสิริสวัสดิ์ผู้ปัตนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมทุกเกิดแก่เจ็ดตายร่วมพระสัทนาะทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านตัางหลายจะได้ฟังการกล่าวทานิกายท้าคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านตัางหลายผู้มีความสนใจใฝ่ฟังผู้ปรารถนาะคุณงามความดีผู้ใฝ่สิ้นใฝ่ธรรมตัางหลายผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศล จงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดเตือนจิตสกติดใจในวิธีทางแห่งการดําเนินชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ระศาสนาเสิบต่อไปตามสมควรแก่บาลานจับเพิงมีในวันนี้ถ้ามีกระถาที่จะนามากล่าวในวันนี้นั้น ขอให้หัวข้อว่าศิลปะแห่งการพักผ่อนทางวิญญาณ <c oughs> ขออภัยที่ต้องใช้ชื่อเรื่องราวมันแปลกๆพิฤึกกึค๊คือพิสดารไปหน่อยเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี่อีกด้วย อนี่วิญญาณมันร่อนเร่พเนจรวิญญาณมันดิ้นรนร่ำ ร, ร้อนอยู่ตลอดเวลามันก็นเลยเกิดความทุกข์ตึงเครียดตึงเครียดกันอยู่ตลอดไม่ว่าในสังคมไหนมุมใดของโลกยิ่งบ้านไหนเมืองไหนเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีกําลังที่จะเจริญแข่งกับเทวดาในสวรรค์ กำลังจะสร้างวิมานในอากาศกำลังจะแข่งความสุขกับเทวดาในสวรรค์นั้นแหละดูให้ดีๆเทอมันกำลังจะทุกแข่งกับสัตว์ในนรกอยู่ในตัวของมันเองด้วยถ้าไม่มีศิละปะในการพักค่อนทางวิญญาณเอูดคำนี้ออกมาท่านทั้งหลายอาจจะมวยงงสงสยัยละเอเอแนวอะไรมาพูด ไนี่มนุษย์กำลังเป็นโรคประสาทมากกำลังผูคอตายกินยาตายมากเกิดความตึงเครียดมากเลยว่า high sensitive มันทุกสิ่งทุกอย่างมีความรู้สึกรุนแรงสุดเวียงที่ไปสู่ความเป็นสกะวิสัยมากขึ้น <c oughs> เป็น s u b j e c t i e มากขึ้นมองอะไรต่ออะไรมันเป็นตัวเป็นตน้นเป็นความยึดมั่นทือมั่น มากขึ้นในที่สุดสิ่งทั้งหลายที่ล้องกับไปแบกไปยึดไปเทิดทูนไปบูชามันไม่ได้ดังอกดังใจก็เกิดอาการซึมเศร้าเงางอยเกิดความเฟงเบือ่อชีวิตเบื่อภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งๆั้งที่มีเงินมีทองมา ก, ม า, กมายนั่งอยู่ในห้องแอร์ติดปรับอากาศเย็นชํำนั้นแหละ แต่ภายในใจมันเร่าร้อนเหมือนกับนอนกกอยูกอ่กองไฟกอดกองไฟนรกติดตกนรกติดเอนรกยุคไฮเทคเร็ก <c oughs> ว่านรกติดแอที่นี่เราจะทำอย่างไรหาวิธีการอย่างไรที่จะเป็นอยู่อย่างรู้จัก มีอาการพักผ่อนทางจิตใจทางวิญญาณที่มันดิ้นรนเล่ราร้อนกระวนกระวายกันอยู่เดีย น, นี้เรนิเศรษฐีก็เล่าร้อนดิ้นรนแบบวิญญาณของเศรษฐีคนจนก็เล่าร้อนกระวนกระวายแบบคนจนมาตกนระกด้วยกันทั้งคนรวยทั้งคนจนถ้าไม่รู้จักศิลปะ คือธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตจะร่ำรวยจะยากจนจะอยู่อย่างเป็นทู้มีความทุกข์น้อยลงหรือไม่ต้องมีความทุกข์เลยก็ได้ถ้าคนให้พบวิญญาณก็จะจะหยุดร่อนเร่พระเนจรกัน คำว่าวิญญาณวิญญาณในที่นี้เพึ่งเข้าใจหมายถึงวิญญาณที่ตายแล้วล่องลอยไปเกิดตรงโน้นไปนั่นลกไปสอบวันไปไหนก็ตามใจเถิดวิญญาณชนิดนั้นก็ฝากไว้ก่อนวิญญาเพิ่งไปไกลเทิงสนา น, นั่นวิญญาณชนิดนั้นที่ ท, ท, ที่ภาษาฝรังเรียกว่าโซนโซนโซนแต่เรากําลังพูดถึงวิญญาณที่พระพุทธเจ้าพูดถึงคือความรู้สึก นึกคิดสิ่งที่รับรู้เข้ามาสู่จิตใจสู่วิญญาณเน็ตนาธาธรรมชาติแห่งความรู้ น, นี้ภาษาฝรัง่งเรียกว่า consist consist น, น, น, นี่นะไม่รู้จะพูภาษาอะไรอยู่เดี๋ยวนี้มันยังไม่เข้าใจกันแต่พูภาษาไทยภาษาลาวอยู่ก็เข้าใจว่าวิญญาณคือตายแล้วนั่นล่ละล่องรอยไปเวลาพระทันสวด ส่วนยอดโมกในภาคอีสานภาษาบาลีวัจจะวิพังควาโรการยกเรื่องราวที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยออกมาแจกมาแจง ก, กันให้รละเอียดจะคุ ย, ยัญนาธาตุยาตางสัมปายุตากา นานจาตถามันอนันตระปาเจีนปาเจโยสตาวิญญาณไม่รู้อะไรฟังสวนแล้ว น, นลุกขนพองเหมือนจะวิญญาณล่องลอยไปยมีใครมากระชากลากจูงไปยานสํากลัวสาม ความหมายมันไม่ได้หมายถึงอย่างนั่นดอกหมายถึงความรับรู้ทางตารับรู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาใหม่จากกิเลตันหาถ้ามันรับรู้และมันเกิดความรู้สึกว่าสวยว่างามว่าไพเราะว่าทุ้มว่าแล้มว่าเย็นว่าร้อนว่าอ่อนว่าแข็งว่าหวานว่าขมอะไรต่างๆมันก็จะเกิดปฏิกิริยา พอใจไม่พอใจขึ้นมาเกิดพอใจขึ้นมามันก็เป็นตันหาทำให้อยากไม่พอใจก็ทำให้ไม่อยากแล้วก็แสดงออกดิ้นรนยื้อแย่งต่อสู้ขัดขวางเพื่อให้ได้มาเพื่อให้มันหมดไปสิน้นไปสำหรับสิ่งที่ไม่อยากได้นี่แหละปฏิกิริยาอันนี้แหละที่เรียกว่าอนันตาปาบาใจเยนอาปาจจโยเาปาย็นปัจจัยให้แก่ ิ่งนั้นนั้นต่อไปไม่รู้จักจบจากสิ้นวิญญาณมันก็เลยเร่าร้อนเร่าร้อนเร่าร้อนดิ้นรนกันจบทำอย่างไรจึงจะรู้จักพักผ่อนทางวิญญาณนี่แหละมันจะต้องมีศิล ป, ปะของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาต่อให้สติพระเจ้าก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจ <c oughs> สิ่งเหล่านี้ ไปฝากให้มันเป็นคอมมันเม้นของพระผู้เป็นเจ้าก็เชิญเธอตามใจแต่อย่าลืมจะผู้ขอตายกินญาตายเป็นโรคประสาทตายพระเจ้าก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้าเข้าใจมันชัดเจนมันก็หมดปัญหาไม่ต้องมีความทุกข์ไม่มีพระเจ้าองค์ใดมาช่วยสติปัญญาศักยภาพของเรานี่แหละมันจะช่วยเราทีนี้ในเมื่อเรามัน ไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นาธาตุของสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นทุกวันก่อนเราจะมาไปแสดงธรรมเรื่อยไปเป็นอาทิตย์กลับบ้านไม่ได้เดินสายว่างนั้นเถนะเพราะนิมนต์ ต, ติดต่อติดต่อติดต่อกันไปก็เลยไปเป็นสายเริ่มตั้งแต่ไปแสดงธรรมร่วมฉลองสองร้อยปีเมืองอุบลราชธานีที่วัดศรีอุบลรัตนานรามไปปาทกรทาธรรมวันนั้น จบมาวันที่ยี่สิบเก้ามีนาที่ผ่านมากลางคืนก็ตีด่วนไปแสดงธรรมอีกที่จังหวัดสุรินที่วัดโคกบัวรายชื่อไพเรอบมากเป็นภาษาพื้นบ้านของคำเมนของสวยอย่างไรไม่ทราบละแต่ชื่อมันดีโคกบัวรายเป็นวัดอยู่อยู่ชานเมืองและอยู่ที่สูง อาจามาไปถึงวันนั้นก็นึกแปลความหมายอยู่ในใจว่าบัวร้ายบัวร้ายเนี่ยมันรอ้อเรือสระอายอยักษ์มันไม่ใช่ลอลิงสระอายอยักษ์ถ้าบัวลายอย่างนั้นก็เขจะมองออกเป็นภาษาไทยเป็นความหมายทางไทยทางลาวว่าบัวที่มันมีใบหลนลายมีดอกหลลายอะไรทํานองนั้นแต่นี่มันบัวร้ายรอเรือสระอายอยักษ์ ไอบุรายตอนนี้ถ้ออกเสียงเป็นภาษาสวยว่าบุรายบุรายนั้นแปลว่าคอยอยังชั่วแป่เป็นภาษาลาวว่าบุรายจากภาษาสวยเป็นภาษาลาวว่าไข่เนโคกบุรายก็คือโคกไข่ขเน่ <c oughs> เหนือชอบใจจังเข้าใจตั้งชื่อถ้าจะตีความหมายภาษาสวยก็โอ้ยไข่เนขึ้นมาถึงวัดมันเป็นโนนทุ้งสูงมันเป็นโคก อาจจะเป็นได้ว่ามันเร่ามันร้อนาภายนอกพอเดินขึ้นมาถึงโคกตรงนี้มันมีต้นไม้ร่มรื่นกันเลยโอ้ยไข่เน่ฮ่อนกับไข่แดงกันมาห่อนนี่เดินมาเหนื่อยๆเข้ามาถึงตรงนี้ไข่แน่ไข่อ ย, ย่างชั่วค่อ ย, ย่างชั่วนะตรงนี้โคกค่อ ย, ย่างชั่วแต่ที่ถ้าจะตีความหมายเป็นภาษาคำเม้บรายบรายบรายนายี่แปลว่าน้ำรอบ ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆภูภูมิศาสตร์ภูมิประเทศของมันมันมีน้ําล้อมรอบมันเป็นโนนโนนเป็นเนินขึ้นไปเรียกว่าโคกบัวรายก็ไปลว่าเนินน้ําอ้อมอะไรทานองนั้นเป็นภาษาคำเมนที่นั่ก็ยังมีความหมายอีกว่าไบรนั้นมีต้นไม้ชนิดหนึ่งสําหรับเคี้ยวแทนภูได้รัฐบาลจะไม่ก่อนสั่งให้ตัดเครือภูไม่ต้องการให้ภูเทาเคี้ยวหมากเคียวดำดำ เสียยี่ห้องอายคนต่างชาติก็เลยสั่งตัดเครือผูหมอดผูเท่าเมืองโุรินทสมัยนั้นคงไม่มีที่เที่ยวก็เลยมาเอาต้นไบรายเนี่ยเคี้ยวแทนผูได้เป็นเครือเหมือนกับผูเอาไปกันใหญ่หจากจกังหวัดอุบลราชธานีวัดศรีอุบลวัดศรีทองรัตนารามไปแสดงธรรมวันนั้นประชาชนเยอะเต็มโลนศาลา จบจากนั้นไม่มีโอกาสได้ไ ด, ไ, ด ไ, ดได้นอนพักผ่อนเมืองอุบลก็ต้องไปด่วนไปสแสดงธรรมที่จังหวัดสุรินทร์จำเปรียรตันรีธาตุมนู่นเนี่ยพี่น้องชาวสุรินทร์เข้าไปในตลาดผู้ภาษาคัมเมนกันเอ๊มไปหมดเลยไปถึงประมาณสี่ทุ่มเห็นก็เล่นกันตตึมกันอยู่ในเมืองรถผ่านเข้า ไ, ไปก็ไปถามคนแถวนั้น ก็อุตส่าห์บอกอย่างดีเลยมีแต่คอมเมนตนะผู้ภาษาคอมเมนตไปตรงนั้นตรงนั้นบอกอดีมากๆเลยก็อนุโมทนาในคืนวันที่ยี่สิบเก้านอนตรงนั้นสามสิบแสดงทำสองรอบที่จังหวัดสุรินทร์แล้วจากนั้นก็เดินทางต่อไปที่จังหวัดสระบุรีอำเภอท่าลานวัดมหาโลกยิ่งใหญ่มากเลย เดินทางตั้งแต่ตีสามไปที่สระบุรีไปยังไม่สว่างดีถึงโคราชก็เลยเข้าเข้าเขาใหญ่กลับคืนสู่ธรรมชาติดูเก่งดูกว้างฟังเสียงนกเสียงกาตามภาษาคนชอบป่าชอบดงแม่ไปถึงเขาใหญ่และชื่นใจจังไรเสียงชนีโหยให มาจากบนยอดเขาสียงสนั่นวันไหวเสียงนกภัยส่งเสียงร่ำร้องเริงร่าฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราย้อนกลับคืนสมัยพระพุทธเจ้านึกถึงกำกรคนโบราณอีสานเหม่งไงดวดงเหมือกเขาเขาียวคำหลวงไหลหล่ลนเต็มตนทางสัวสัวสันสกุหนาในเทือนแท่วแฟว่ท่วงทั่วเถ่าเราล่าง กอดปูดห้องตางเลา่าดอนเลา่าฝุ่นเยอกาเวา้าขันโหนั่นกงหวยดงลวงโอไพ้สนแสนซามมีดอกไม้บานหอมเพืนหอมเสียงชนีร่ำร้องมานึกถึงคำพูดคนโบ ร, ราณฟังเสียงนุ่งซูลโูเสียงกลมกล่องเถือนสนีหยุยห่องเสียงโป่งเปล่าผาแม้มันเข้า บรรยากาศที่ท้าฟางคำเขียนไว้ในหนังสือเรื่องสังชิสินชัยไม่อยากจะกลับจากเขาใหญ่เลยไปถึงตอนเช้าสนามก๊อปร่างที่เขาฝั่งหรือถอนอาบอัมานั่งลงเพ็บเดียวเท่านั้นเห็นเก่งเห็นฟานสี่ห้าตัวเดินย่องแยงดองแย ง, ง, งออกมาและเล็มยาเดินเข้าไปดูหมู่ฟานเห็นนกเขากินโป่งเสียง นกขันอยู่ในป่าไกลป่าเป็นฟงเดินเคียงคู่กันริมป่าใหญ่อสนามหญ้าริมป่าใหญ่ชื่นใจจังเลยอยากกันอนสักห้าคืนหกคืนตรงนั้นไม่ให้กินข้าวก็เอาถ้าจะให้แลกแต่ไม่ไม่ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่อุทยานว่าจะพักผ่อนได้ไหมสักสี่ห้าวันยังนึกจัวทบางวันเราอาจจะพาพระเนรไปบรรทุกรถกันไป นอนตั้งห้าหกคืนตอนเช้า เ, เห็นช้างผ่านทางช้างป่าเห็นมันขี่ไปใหม่ตอนขากลับที่ว่าเรามีธุระด่วนจะต้องไปแสดงทําที่สระบุรีมีเดินทางกลับมารถวิ่งมามองไปสองข้างทางป่าเลาที่ไฟไหมเห็นสัตว์ตัวหนึ่งนอนตัวใหญ่ให่สีเทาๆ ม, มุมๆเอ้นอะไร ก็บอกกันจอดรถแล้วก็ถอยหลังกลับมาดูนึกว่าเป็นสิ่งโตตัวใหญ่วางกินหญ้ายิ่มแล้วนอนเคี้ยวเอื้องสบายไม่หวาดกลัวมันคงเข้าใจว่าคนเหล่านี้คงไม่ทำลายมันจากเขาใหญ่ด้วยกลิ่นอายแห่งธรรมชาติที่ตลบอบอวนมีความคิดถึงอย่างมากเลยมาเห็นรถบาทจอดแล้วมีพวกชาวต่างชาติญี่ปุ่นไต้หวนันหรือไง จอดรถเอากล้องขยายส่องดูนกดูสัตว์อาตมาก็จอดลงไปถามเขาบอกว่าเขากําลังดูนกกันมันเป็นเป็นโป่งช้างเห็นช้างไหมยก็บอกไม่เห็นแต่ดูนกก็ลืมถามว่าเป็นคนชาติไหนคุยกันเป็นภาษาอังกฤษทานจากนั้นก็มาแสดงธรรมที่สระบุรีปรกากฏว่าได้แสดงธรรมเวลากลางคืนมหาชนเยอะแยะ คนถึงสามสิบกว่าจังหวัดไปปฏิบัติธรรมแน่นไปหมดเลยเป็นพันๆเพราะนั้นแสดงธรรมอยู่สองชั่วโมงจะเข้าออกรุงเทพ เ, เมื่อหมดเวลาแสดงธรรมเป็นห่วงญาติโยมกลัวจะเน็ตนื่อยก็ปรากฏว่ามีเสียงร่ำร้องให้ต่อขอให้ต่ออีกสามสิบนาทีอาทเมืองก็เป็นประชาธที่ประายกันแล้วเสียงส่วนมากเขาป่าธนาก แสดงธรรมต่ออีกสามสิบนาทีเป็นสองชั่วโมงครึ่งเก็บสิ่งเก็บของจะขึ้นรถเดินทางเข้ากรุงเทพเพราะว่าจะต้องมาแสดงธรรมที่กรุงเทพอีกทีนึง่งเครื่องรถก็ติดแล้วจะขึ้นรถกันอยู่เรามารอแล้วปรากฏว่าพระสงฆ์องค์เจ้าคูบาอาจารย์ตลอดทั้งญาติโยมทั้งหลายเกาะเข้ามาขอร้องอ้อนวอน บอกว่าอย่าเพิ่งกลับเลยขอให้แสดงธรรมโปรดเอกสักกันหนึ่งพรุ่งนี้เช้ารอบดึกอนึกถึงคำสอนของพระสาวดตาบอกว่าภิกษุใดมันแสดงธรรมบ่อยๆแก่บุคคลผู้ไฝ่ธรรมนำะหุชนเหล่านั้นประดิษฐานมั่นในอริยยาณธรรมสมมาทิฐิสัาพิสินจากขปัญญาทอนบุคคลมหาชนเหล่านั้นออกจากอสัรร ม, มิฉาทิฐิเสียได้ เรากล่าวว่าไม่มีการบำเพ็ญประโยชน์อันใดที่จะเลิศยิ่งกว่าการกระทำเช่นนั้นภิกษุตั้งหลายเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกู้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงไปประกาศสัจธรรมพรมจรรมันวิธีทางแการดำเนินชีวิตอันปลาเสริญ ให้แกเขาละชั่วในเบื้องต้นกต่ทำความดีในท้ำกลางบริบูรณ์สูงสุดด้วยจิตใจอิสระประกอบด้วยความบริสุทธิ์และปัญญาหลุดพน้นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเป็นการดาเนินชีวิตอันประเสริฐแกเขางดงามในเบื้องต้นท้าการที่สุดอย่างนี้นึกถึงอันนี้แล้วก็เลยจำเป็นต้องอยู่ต่ออีกชามาปีสี่ครึ่ง ไปหาหกโมงเลยแสดงธรรมบอกว่ามีเวลาอยู่ชั่วโมงครึ่งถึงสว่างก็กำลังแสดงธรรมไปเรื่อยๆถึงสว่างเวลาจะหมดโยมก็เขียนหนังสือยื่นขึ้นมาขอขอนิมนต่ออีกสามสิบนาทีก็เลยได้เทศต่อกั้ไปอีกแสดงว่าวันนั้นแสดงธรรมที่สระบุรีมหาชนทั้งหลายฟังกันเต็มรู้สึกฟังจองเทปทางวัดมหาโลก ผลิตให้มากกว่าพันมะ้วนวันนั้นหลังเยน็นก็เดินทางเข้ากรุงเทพไปเดนกรุงเทพไปแสดงธรรมที่วัดเพลงวิปัสนาทีนี้ก็มีคิวต่อไปที่จังหวัดตากที่เคลื่อนภูมิพลจากจังหวัดตากแล้วก็จะมีคิวต่อไปที่อำเภอเชียงแสนพระธาตุผาเงาจังหวัดเชียงไายนู่นนะปากเหนือ ที่นี้มันก็เลยมีปัญหาขึ้นมาจะไปจังหวด่ากโยมที่จะขับรถไปสง่ทงท่านก็ไปไม่ได้หมดหมดโอกาสที่จะ อ, อุปถัมภ์เพราะว่ามีความจำเป็นอยู่ในกรุงเทพอาตมาก็บอกว่าไม่เป็นไรลร็อกเราจะขึ้นรถโดยสารกันไปมีโยมเป็นผู้เทคแคร์ care, เอาใจใส่ไปซื้อตัวรถที่จะพาไปแล้วก็ว่าตื่นตั้งแต่ตีสาม รถไปส่งที่ตลาดหมอชิดที่บขอสผ่ารถทัวร์เี่ยมเข้าแถวซื้อตั๋วรถจะไปจังหวัดตากไปเขื่อนภูมิพลตั้งแต่ตีสี่ยันเจ็ดโมงเช่ายังซื้อไม่ได้ผู้คนเข้าแถวนาะเน่นเต็มหมดไปสอบถามเขาบอกว่าเข้าแถวซื้อตั๋วนี่ไม่จะเดินทางวันนี้นูน่น สามวันข้างหน้าแล้วก็ยังจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกห้าสิบบาทจองล่วงหน้าโอ้นี่ไม่รู้ว่าคนไปอะไรกันนักกันหนาไม่ว่าสายไหนสายไหนมันเต็มไปหมดหน้านี้เดือนนี้สุดท้ายก็ได้ทราบว่าคนเหล่านั้นจะกลับไปพักผ่อนไปสงการที่บ้านทั้งภาคเหนือ เมืองเหนือนี่เขาจัดงานสงการนี่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่สงการเมืองเหนือนี่แต่หนุกสนานไม่ใช่แต่เพียงคนเมืองเหนือจะกลับบ้านคนกรุงเทพคนต่างจังหวัดก็จะขึ้นเหนือไปพักผ่อนซัมเมอร์กันในสงการอาตามาก็จนใจไปไม่ได้ที่จะไปแสดงธรรม ท, ที่จังหวัดตากไปแสดงธรรมที่เชียงรายเชียงแสนมันไปไม่ได้เลยจริงๆสุดวิสัยคนไปยืนเข้าออคิวจะซื้อตั๋วรถ ให้นี่ก็จะเป็นลมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่ามันสุดวิสัยที่เราจะไปได้เราก็จากวัดมานานแล้วเป็นห่วงวัดวาอารามพระสองฆ์องค์เจ้าที่วัดอะไรอย่างนั้นกลับดีกว่าไปซื้อตัวรถกลับพังโคนแม้มันลำบากเหลือเกินนี่ก็ทุรักทุกกเลนแน่นกันอิยดตองลงได้เดินทางกลับบา้านก็คิดว่ายัางไงยังไงโยมก็คงจะสรุปเอาว่าพระโกหก ท่านสมพพโกหกซะแล้วท่านคงไม่มาลองให้พวกเรามาคอยเกอ้อ่าจังหวัดตากก็คงจะคอนคลูชันลงอย่างนี้สลุปลงอย่างนี้ว่าพระโกหกเชียงแสนเชียงรายก็คงจะสรุปอย่างเดียวก็ว่าพระโกหกไม่มาเราก็จนปัญญาที่จะแก้ตัวจนปัญญาที่จะไปเพราะรถมันแน่นที่สุดเลยจะกลับมาบ้างก็เกือบจะมาไม่ได้แน่น ทางรถไฟก็แน่นรถจนก็แน่นนี่คืออะไรอาตมาก็ถามตนเองมาตลอดว่าโอ้คนทั้งหลายเขาทำงานทำงานหนักห่วงมาแล้วเขาจะหยุดเขาจะพักผ่อนพักผ่อนสงการตามบริษัทห้างร้านต่างๆก็หยุดงานให้ลูกจ้างทาง้งรัฐบาลกระทรวงทะวงกรมต่างๆก็คงจะต้องหยุดอาตมาก็คิด มาต่างๆว่าอย่างนี้เขาหยุดเพื่อพักผ่อนและเขาจะได้พักผ่อนกันจริงหรือไม่ดูแล้วมันยิ่งเป็นภาระที่หนักหน่วงเพียงแต่การไปยืนรอที่จะซื้อตัวรถเนี่มันก็หนักหน่วงยิ่งกว่าการทำงานธรรมดาคิดดูแต่ยืนรอเข้าคิวซื้อตัวรถยนต์นี่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอย่างซื้อไม่ได้ผู้คนเอออาจดัดเยี่ยวไปรู้กี่แสนกี่หมื่นคน ตาลายไปหมดเลยมองดูคนนี่โอ้ตาก็ทำงานหนักหูก็ไม่ได้พักผ่อนมีแต่เสียงอึ้งเสียงผู้เสียงคนเสียงรถเสียงลลาเสียงประกาศประชาสัมพันธ์อู้จมูกก็ไม่ได้พักผ่อนกลิ่นคนเหม็นสาบคุ้งฟุ้งไปหมดเลยอารามาบอกว่าอย่างนี้มันไม่ได้พักผ่อนเลยมันมีแต่งานหนักของชีวิต the burden of life หรือจะเรียกว่า extra sensory of the burden of life คืองานที่หนักหน่วงที่สุดภาระที่หนักหน่วงที่สุดของชีวิตเืว่าอ t กซ์ตาเซนภาระที่หนักหน่วงเนื้อธรรมดาของชีวิต วิญญาณทำงานหนักที่สุดจากขุวิญญาณโตตะวิญญาณคณนะวิญญาณกายวิญญาณเจวหาวิญญาณมนโนวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานหนักน่วงที่สุดไม่ได้พักผ่อนแล้วจะถือว่าไปพักผ่อนได้อย่างไรทำไมจึงจึงจึงจึงจะต้องไปพักผ่อนอย่างนี้พักผ่อนอย่างนี้เพื่ออะไรอาตมามองไม่เห็นการพักผ่อนของเขาเลย ที่หันมาดูทางพระพุทธศาสนากับความเข้าใจของชาวโลกมันไปกันคนละทิศคนละทางชาวโลกเขาตื่นมาออกกําลังกายวิ่งจอกจอกแยกแย ก, ยกแต่ทางพุทธศาสนาสอนให้ออกทั้งกําลังกายกําลังจิตโดยไม่ต้องสูญเสียพลังงานส่วนเฟอร์ส่วนเกินไปวิ่งจอกจอกแยกแย ก, ย ก, ยกตื่นขึ้นมานั่งสมาธิตัวตรงๆร ง, รงหายใจเข้ายาวยาวเต็มปอดเต็มพุงอัดไว้แน่น แล้วก็ปล่อยออกไปหายใจเข้าอัดดันให้เลือดลมมันฉีดมันไหลเวียนทําให้ความดันต่ําให้เป็นความดันสูงทําความดันสูงให้เป็นความดันต่ําปรับลมหายใจให้ละเอียดละเอียดโอ้ยไม่ต้องไปกินยาสักเม็ดไม่ต้องไปซื้อดูซื้อยาไม่ต้องไปวิ่งดอกๆอกไต้องไปวิ่งด๊อกด๊อกแก๊กแกกจะให้เลือดลมไหลเวียนดียังไง หัวใจปลอดตับไตใส้พุงสุขภาพกายสุขภาพจิตฟิสกอนเทวหรือจะเป็นเมนเทนเฮวเป็นสุขภาพกายสุขภาพจิตมันได้ทั้งนั้นเพียงแต่นั่งจเจริญสมาธิภาวนาให้มันถูกสเปกที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไม่ต้องไปวิ่ ง, ะงกะบดอกแยกหมดพลังงานส่วนเฟิร์สส่วนเกินเฮือร้า ไ, ไทยหยดวิ่งเพื่อจะให้มัน หอบแผกแหกให้เหือห่อหลายอยากให้เหือห่อหลก็นั่งหายใจย า, ยาวอัดไว้ปล่อยออกยาวสูเข้ามายาวอัดมันไว้แล้วดันมันเข้าไปให้มันเกิดเพรซเซอร์เข้าไปทั่วที่้ขานได้เหื่อจะไหลใครจะจดทีนี้ปล่อยธรรมดามันก็จะหอบแหกแหกแห ก, กมีสติดูรู้มันอยู่รุ้ลมหายใจอีกมันก็คลั่งมิงคลามิ่งสงบสงบสงบสง บ, สงบ ลมหายใจละเอียดละเอียดละเอียดละเอียด ล, ล, ล, ลมจนไม่ต้องหายใจยินเป็นใย็นในเนื้อในตัวในจิตในใจโอ้สุขภาพกายก็สมบูรณ์สุขภาพจิตก็บริสุทธิ์อิสระยำไส้เ บ, บิกบานประกอบไปด้วยปัญญ า, าไม่ได้ต้องไปวิ่งจ้ก็แก๊กแกกอะไรเลยนี่ถ้าอย่างนี่ทำได้มนก็สบายพระพุทธเจ้าท่านกล่าว บุคคลผู้ทำอย่างนี้เป็นการเจริญทั้งสมาธิทั้งสติทั้งปัญญาสุขภาพกางกายเมวะเมกิระมะติตายไม่ลำบากเลยเมวะเมกายโยกิระมะตินัจโคน่อนุปาทายจะเมอาสเวหิจิตสังวิมุตติยาติกายก็ไม่ลำบากไปวิ่งโยกแย ก, ย ก, ยก อะไรมากตาก็ไม่ลำบากลับตาทำก็ได้ลืมตาทำก็ได้จิตใจก็หลุทพ้นจากความยึดมัน่นถือมัน่นความเคยชินอันจะ ก, ก่อให้เกิดความทุกข์ที่เรียกว่าอาสวะติดกัน้นไม่ให้มันไหลเข้ามาของใหม่พลักดันของเก่าให้มันไหลออกไปอาสวหิจิตตังวิมุตติ จิตก็หลุดพ้นอย่างอาสวะความเคยสิ้นชินอันจะก่อให้เกิดทุกข์โอ้ยยิงปืนนัดเดียวได้นกเป็นพวงอย่าว่าสองตัวเลยเอากี่ตัวก็ได้แต่มนุษย์ก็ไม่รู้จักมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้จักเข้าใจวา่าศาสตร์ปัญญาเป็นเรื่องคลึกคลาสมัยไม่ทันคนอื่นเขาเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีเพอจะพักพ่อนทีก็เสียเงินเสียทองเสียเว ล, เวลา ไปซื้อมาดูไปซื้อมาดมไปซื้อมาฟังไปซื้อมากินมาเดิมไปซื้อมาสัมผัสหลังจากนั้นก็ปรุงฟุ้ ง, งแต่งเป็นธาตของอายุธนะเป็นธาดของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายของใจอาตมาท้าได้เลยว่ามนุษย์ที่ไม่รู้จักธรรมะก็ไม่รู้จักการพักผ่อนจตขี้ขึ้นไปเที่ยวเมืองสวรรค์มันก็ไม่ได้พักผ่อนดอก ตาจะทํางานหนักกว่าเก่าหูจะทํางานหนักกว่าเก่าเจมูกจะทํางานหนักกว่าเก่าลิ้นจะทํางานหนักกว่าเก่ากายทํางานหนักกว่าเก่าสุดท้ายมาลงที่จิตไม้ออฟเจกอารมณ์แห่งจิตก็จะปฟงจะปรูงจะแต่งเลื่อนไหลไปกับอารมณ์ที่กระทบทางตาหูเจมูกลิ้นกายใจใ น, นี่จะมาเป็นเรื่องหนักน่วงเกิดเป็น b u อ d e n of l i f ไลเป็นภาระหนักน่วงของชีวิตชนิดที่ไม่รู้จักพักผ่อนถึงแม้จะถือว่าจเจริญรุ่งเรือ ง, งแค่ไหนก็าตามมนุษย์ทุก ว, วันที่แม้จะมีเงินมีทอง ม, มีความสะดวกสบายอย่างไรก็าตามเขามีแต่ความทุกข์เพราะความไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นเองเพราะนั้นอย่าทำเป็นเล่นไปนะ กับเรื่องเหล่านี้ต้องมาศึกษาต้องมาทําความเข้าใจในทางพระพุทธศาสนาสอนให้รู้จักวิธีการปฏิบัติที่จะพักผ่อนทางจิตใจทางวิญญาณพักผ่อนทางกายพักผ่อนทางจิตยังไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยสักบาทและจะพบความสุขที่สุดชนิดที่เงินแสนล้านซื้อเอาไม่ได้เลยเย ที่นี้จะทำให้กายพักทรท่านก็เรียกว่ากายวิเวกกายวิเวกคือกายไม่มีปัญหาเสียดแทงไม่มีอะไรมาขัดแย้งอยู่อย่างปกติทางกายเรียกว่าวิเวกคือความโดดเดี่ยวทางกายโดดเดี่ยวจากอุปสรรคขัดแย้งทางกายที่ในสูงขึ้นมาระดับกลางท่าเรียกว่า วิเวคคือการพักผ่อนทางจิตจิตโดดเดี่ยวจากอารมณ์ที่เรียกว่ารักก็ดีชังก็ดีจิตส่วนเฟอ้อจิตส่วนเกินคือรักเกินไปชังเกินไปโง่เกินไปฉลาดเกินไปอ่อนแอเกินไปไม่มีเพราะว่าจิตมีสมาธิบริสุทธิ์อิสระแจ่มใสเบิกบาน นี่เราจะพักผ่อนโดยวิธีนี้เรียกว่าจิตวิเวประมาที่สูงยิ่งไปกว่า น, นั้นเขาเรี ย, ยกว่าอุปัธิวิเวคือการพักผ่อนสูงสุดทางวิญญาณทางวิญญาณ น, นั่นเองคาว่าอุปัธิก็คือสิ่งที่เขาไปแบกไปหามไปยึดไปถือไม่รู้จักวางให้ลงปงให้ได้ ที่นี้เมื่อเกิดรู้จักละรู้จักวางรู้จักปล่อยปะละวางวางลงป่งได้เสียไม่ยึดมั่นเธอมั่นทางวิญญาณตอนวิญญาณทางตาจะคู่วิญญาณได้เห็นรูปอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงแต่ว่าเห็นปล่อยลงไปวิญญาณรับรู้วิญญาณนั่งรับรู้อย่างนี้วิญญา นะ่มัดตั้งเพียงแต่สักว่ารู้เนี่ก็สักว่ารู้งูได้ยินก็สักว่าได้ยินก็ปล่อยไปยไม่อาไรอาวรณ์ยินดียินไล่น่ารักน่าชังจะงกได้กินก็รู้สักแต่ว่ากินว่ามันเหม็นมันหอมก็พอไม่ต้องเลยไปถึงอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นปล่อยวางปล่อยวาง อย่างนี้เรียกว่าอุปธิวิเวจิตนึกคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตดีชั่วอะไรขึ้นมาก็รับรู้รับทราบเพียงเท่านี้ก็ปล่อยลงไปไม่ต้องอ้อยอิงอะไรอาวรณ์กับสิ่งที่พอใจไม่ต้องคุกกลุนผักดันกับสิ่งที่ไม่พอใจรับรู้รับทราบแล้วก็ปล่อยมันไปถ้าอย่างนี้เรียกว่าอุปธิวิเวอุปธิวิเว คือโดดเดี่ยวจากความยึดมันม่นถือมั่นเดียวนะไม่เวะไม่เบะแต่ว่าโดดเดี่ยว Seclusion ภาษาฝรัร่งเอาไวอย่างนี้ Seclusion form attachment อย่างนี้ attachment Seclusion รู้จักโดดเดี่ยวจากความยึดมันม่นถือมั่นถ้าอย่างนี้อยู่ที่ไห น, นก็ได้รับการพักผ่ หูได้ยินตาได้เห็นจมูกได้กินลิ้นได้ลดสิ่งที่มากระทบทางประสาทสัมผัสแล้และเล่าๆล่ารู้ด้วยสติปัญญาปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางไม่เข้าไปเป็นเจ้าของไม่เข้าไปแบกไปถือเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีความตึงเครียดไม่มีความสัน่นยวทำยังไงเราจะพักผ่อนชนิดนี้ได้ เดี๋ยวนี้แม้จะขี่ขึบินขึ้นไปบนสวรรค์เหาะขึ้นไปบนสวรรค์มันก็ไปเร่าร้อนอยู่บนสวรรค์ขอบอกให้ทราบเร่าร้อนอยู่กับรูดกับเสียงกับกินขับรถไม่รู้จักปองจกวางอย่างนี้แหละเพราะเหตนั้นเราจะเห็นได้ว่าการดําเนินชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์นี่มองดูให้ดีมองด้านหนึ่งอาจจะเห็นว่าเป็นการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต แต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งจะเห็นภาพซ้อนกันอยู่อีกชั้นหนึ่งคือทุกคนกําลังสแสวงหาความสุขทั้งนี้แหละท้งนั้นมิใช่เฉพาะคนมั่งมีพั่งพร้อมอยู่แล้วหรือคนทุกคนยากมันมันมั น, ม, นมันเป็นด้วยกันทั้งนั้นกําลังสแสวงหาความสุขอยู่ตลอดการ คนมั่งมีคนพังพร้อมอยู่แล้วก็กํากลังหาทางปนเปิดตนเท่านั้นแม้แต่คนที่กําลังดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดอย่างสุดแรงก็กําลังพยายามทําให้ชีวิตของตัวมีความสุขเช่นเดียวกันไม่ว่าจะมองในช่วง ก, งกว้างไก ล, กลเช่นว่าเราประกอบอาชีพการงานการศึกษาอะไรต่างๆดํ า, า, าดเนินกิจการต่างๆก็ตามมันก็เพื่อจะไปหาความสุขหรือจะมองช่วงสั้นๆทีเข้ามา ถึงความเป็นอยู่ความเคลื่อนไหวการกระทําในแต่ละขณะก็ตามการเป็นการไฝ่หาความสุขจะแอบแฝงอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะถูกขัดถูกย้อนด้วยสานึกทางจริยธรรมเป็นต้นในในบางข่าวความจริงการหาความสุขในช่วงยาวก็ขยายออกไปจากการหาความสุขในช่วงสั้นๆขณะนั้นเวลานั้น ผู้ปรารถนาความสุขที่แท้จริงเมื่อจะจัดการกับชีวิตของตนจะต้องสนใจและก็หาทางทําให้ชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดียวนี้มีความสุขให้ได้การพยายามหาความสุขจึงจะมีทางสําเร็จคือถ้าเดี๋ยวนี้มันไม่สุขจะไปะสุขเอาปีหน้าชาติหน้ามันไกลามากเลยทํายังไงทีแหละเป็นศิลปะศิลปะถ้าสามารถทําให้ความสุขเกิดขึ้นได้ในขณะนี้ ก็ไม่ต้องห่วงวันหน้าปีหน้าชาติหน้าของมากมาจากของน้อยๆของใหญ่ๆมาจากของเล็กๆความสุขในอนาคตจะไปจากวันนี้แหละคอยเข้าใจการพยายามหาความสุขจะประสบความสำเร็จทันทีถ้าสามารถจับให้จิตใจมีความสุขได้ปัจจัยแวดล้อมอื่นอเมือยก็จะมีแต่ความสุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปสุดยอดแห่งความสุขคือการ ไม่มีความทุกข์ที่มาของความทุกข์ทั้งปวงและยอดแห่งความทุกข์ทั้งปวงก็คือความยึดมั่นถือมั่นความแบกหามเอาเป็นเจ้าของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละกระบวนการหาความสุขของมนุษย์มองเห็นได้แมมแต่ในช่วงสั้นๆแต่ละขณะขณะเอ็นี่เราเข้าใจว่าความสุขนั้นเข้าใจว่าได้ได้ตามยาก หรือบางทีก็สร้างความอยากขึ้นมาเมื่อสร้างความอยากขึ้นมาอย่างรุนแรงก็ทะเยอทะยานสแสวงหาอย่างรุนแรงเมื่อได้มาเสพสวรรค์ก็ระ ง, งับความทุกข์นั้นลงคือความอยากลงก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างสุดยอดรุนแรงในที่สุกดก็อยากอีกอยู่อย่างนั้นก็จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ความสุขที่คนทั้งหลายเข้าใจก็คือทําให้ความอยากมันสงบระ ง, งับลงฟังให้ดีๆนะ มองเห็นได้ช่วงความสุขที่คนทั้งหลายแสวงหาคือเกิดความอยากขึ้นหรือว่าทําความอยากให้เกิดขึ้นทามันไม่อยากก็พยายามคิดให้มันอยากบางทีสร้างยา ก, กระตอกระตุ้นขึ้นมานะมีปัญหามียากระตุ้นเรื่องทางเพศทางอะไรขึ้นมาน่ะเขาอยากจะมีความสุขเมื่อมันมีความอยากน้อยต้องกระตุ้นความอยากให้มากความสุขของเขาคือการสนองความอยากและความอยากมันระงับลง อย่างนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยกระตุ้นความอยากให้มันเกิดขึ้นยิ่งเราความอยากให้แรงมากก็ต้องสนองระงับแรงขึ้นและได้รับความสุขมากขึ้นความสุขจึงได้แก่การสนองระงับความอยากถ้าจะถามว่าความอยากคืออะไรไม่ต้องตอบโดยตรงที่ชัดที่สุดก็คือเมื่อเกิดความอยากขึ้นแล้วจะมีอาการแสดงออก สำคัญอยู่สองอย่างคือความขาดแคลนความพร่องไม่มีสิ่งที่อยากคือคือสิ่งที่ตนอย่างนั้นมันไม่มีมันขาดแคลนมันบกพร่องทีนี้ไม่ว่ามันจะขาดแคลนจริงหรือมันขาดแคลนปลอมขาดแคลนที่สร้างขึ้นมาเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือความกระสับกระส่ายกระวนกระวายความทุรนทุ ร, รายเพราะความถูกความอยากมันเหนียวมันรั้งมันดึงมันจืด ดึงออกไปจากสภาพที่เป็นอยู่ขณะนั้นทำให้สงบนิ่งอยู่ไม่ได้ต้องดิ้นรนหาทางทำให้ความกระวนกระวายนั้นสงบระงับไปเมื่อได้สนองความอยากก็กลับเต็มเป็นปกติว่ามีความสุขและทำให้ความกระวนกระวายนั้นหมดไปเวลาช่วงนั้นคือการได้รับความสุขแต่ถ้าความอยากไม่ถูกสนองระงับประกิดความทุกข์ ความคาดแคลนความกระสับกระส่ายกระบวนการวายนั้นเองเป็นสิ่งบีบคั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าบางทีสร้างความอยากความหวังไว้หล่อเลี้ยงความอยากตั้งห้าปีหกปีรอคอยดิ่ น, นระรนแะเวงฮะเมื่อได้มาแล้วเอามาเสพซะเว้ยห้านาทีสน้องความอยากว่ามีความสุขที่สุดเพียงสี่ห้านาทีหมดไปแล้วความสุขนั้นเกิด ได้คือความอยากที่รอคอยมาห้าปีแล้วงับไปเพียงห้านาทีหกนาทีอีน้องก็เริ่มมองหาความอยากใหม่เนี่ยมันเป็นความทุกข์ยิ่งอยากมากก็ยิ่งท่องยิ่งกระวนกับวายความทุกข์ก็ยิ่งแรงมากความจริงเริ่มทุกข์มาตั้งแต่เริ่มอยากทีเดียวพอเริ่มอยากแล้วก็เริ่มทุกข์เพราะว่าพอเริ่มอยากก็เริ่มกระวนกับวายโดยในนี้จึงพูดได้อีกจานวนหนึ่งว่า การหาความสุขตามปกติของมนุษย์ก็คือการเร้าความทุกข์ขึ้นแล้วกว็หาทางระงับความทุกข์ลงไปคราวหนึ่งหนึ่งหรือความสุขคือความบรรเทาทุกข์ความดับทุกข์ได้นั่นเองยิ่งถูกเร้าให้ทุกข์แรงเมื่อสนองระงับก็ยิ่งได้สุขมากตามปกติระยะเวลาที่เริ่มอยากเริ่มพอะเริ่มกระวนกระวายมีทุกข์แล้ว แต่ยังไม่ได้สนองระงับที่นี่ความอยากจะยาวนานหรือยาวนานมากก็าตามส่วนเวลาที่ได้รับสนองระงับมักจะสั้นนิดเดียวรอคอยดินนย้นรนยื้อยังตะแคงหามาห้าปีได้แล้วเสด็จไปห้านาทีสุขใจเป็นยิ่งนักเพียงห้านาทีที่นี่ก็มาเริ่มอยาก อ, กอกีกมันก็มีเพียงแค่ น, นี้การที่ว่าจะไปพักผ่อนนู่นพักผ่อนนี่ยใช้เวลาอยากมาเป็นปีปี สงการทีหนึ่งจะได้ไปก็มานั่งรอคอยรถว่าโอ๊ยพ่อไปจริงๆความสุขที่ได้เสพตะเวทตามอยากบางทีไม่ถึงห้านาทีมันก็หมดไปสิ้นายเอาลินลนหาอีกเรื่องมันไม่จบแค่นั้นเมื่ออยากแะ้วก็ดำเนินให้ได้ตามอยากก็ยอมถูกขัดถูกแก้งถูกแก้งไปบ้างชีวิตที่อยู่ด้วยความอยากจึงต้องมีความขัดใจความโกรธความเกลียดความ แทนเครืองพร้อมด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนปัญหาต่างๆเกิดจากความโกรธเกรียดนั้นคู่กบคู่กันมาด้วยยิ่งอยากมากอยากบ่อยความขัดใจความทุกข์ใจก็ยิ่งมากยิ่งบ่อยขึ้นมาอีกเหมือนกันหมายถึงอยากด้วยปัญหานะไม่ใช่อยากด้วยฉันท่าขอให้เข้าใจอย่างนี้ที่นี่ต่อไปเมื่อไม่มีสิ่งที่ที่ที่อยากเนี่ยเมื่อได้มาแล้วกว็เสดสเวยมีความสุข ไปตามกระบวนนั้นคือความทุกข์อางลงเดียวเดียวเท่านั้นแต่ก็อยากอีก ท, ที่บางทีสิ่งอ ย, ยากนั่นมันเลิกอยากสิ่งนี้ไม่รู้จะอยากอะไรดูดูแล้วมันก็เกิดอาการเอกลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าเหมือนกับเบื่อหน่ายว่างจากกิจกรรมสนองความอยากไม่รู้จะอยากอะไรก็จะมีแต่ความเบื่อหน่ายง้อยเงาซึ ม, มที่เรียกว่าเซ็งเซ็งเซงต่อชีวิต เศรษฐีเมืองฝรั่งมีเงินมากมาเรียกว่าอยากกินก็มีกินกินยัไงมันจะอร่ อ, รอยร่อยกินน้อยๆอร่อยมากๆอิ่มนานๆในที่สุดก็หันยาเข้าไปหายาเสพตรงเสพติดเอาเข้าจะจัดมันมันมันเกิดอาการซึมอาการซึ่งไม่รู้จะอยากอะไรก็ไปลองยาเสพติดนั่นแหละอย่างอื่นมันลองหมดแล้วไหนที่สก็เป็นโทษทุกข์เข้าไปอีกยิ่งนะเข้าไปอีก ชีวิตกลายเป็นภาวะที่ทนไม่ได้ไร้ความหมายเป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งถึงขนาดฆ่าตัวตายกินยาตายเรตธีฆ่าตัวตายมีเยอะแยแะเลยเป็นโลกประสาทเพราะความเส่งเส่งอะไรเส่งก็หมายว่ามันมันมั น, ม, นมันสิ่งที่ได้มานั้นมันไร้ความหมายเป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งแต่เป็นความทุกข์ที่ไม่มีรสชาติเป็นความทุกข์ที่ไม่มีความหวังหล่อเลี้ยงว่าจะได้อย่างอื่นมาอย่างนี้ อาจจะยิ่งแยกกว่าความทุกข์แบบกระวนกระวายเมื่อยังไม่ได้สนองระงับความอยากเสียเลยมนุษย์ยึดเอาความอยากและสิ่งปลนเปล่าความอยากเป็นสรณะนาฝาความสุขไว้กับความกระวนกระวายบนกระบวนการสนองตอบความอยากถ้าได้สนองตอบดังอยากนั้นดิ้นรนกระวนกระวายหาห้าปีอย่างนี้ได้มาสนองตอบชื่นใจเพียงห้านาทีแต่นี่ก็มาปุ้งแต่งความอยาก แล้วก็เสงสิ่งสนองปนเปื้อให้หลากหลายพิสดารยิ่งขึ้นความทุกข์ของมนุษย์ก็จะปานี่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจนถึงขั้นที่เก่าคือวงจรชีวิตที่มีความทุกข์เป็นพื้นฐานอย่างนี้ความทุกข์ทุกวั น, นี้เป็นความทุกข์ที่ปานี่มากลึกซึ้งมาก เทียงแค่ไฟฟ้าดับเขาก็ทุกข์อย่างปาณีชเกือบจะเป็นบ้าตายสมัยโบราณมันไม่ทุกข์ปาณิชไม่ทุกข์ลึกซึ้งอย่างนี้คนพอจะมีความสุขโยกอันนี้นะเราม า, มามองดูว่าการดําเนินชีวิตอีกแบบหนึง่งซึ่งปราศจากปัญหาอย่างที่กล่าวมาแล้วโดยสิ้นเชิงก็คือการเป็นอยู่ในเวลาที่เป็นอยู่หรือการมีชีวิตอยู่จริงในเวลานั้นๆขณะนั้นๆไม่ทราบว่าจะฟังถูกหรือไม่ เรียกว่าเป็นอยู่ในเวลาที่เป็นอยู่มีชีวิตอยู่จริงๆในเวลานั้นขณะนั้นนั้นมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันรับรวบทราบแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางดูอย่างมีสติมีจิตใจรับรู้เต็มเตื่นอยู่กับสภาพที่กำลังเป็นอยู่ประสบอยู่หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องต้องทำให้มันเป็นปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะนั้ น, น, น รู้เข้าใจสิ่งนั้นๆตามสภาพนั้นๆที่มันเป็นจริงตามสภาวะของมันพิจารณาจัดการสิ่งนั้นๆเรื่องนั้นๆตามเรื่องตามราวของมันด้วยความรู้ความเข้าใจตามสภาวะเรียกสั้นๆว่าเป็นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะปัญญาชีวิงชีวิตะมหุเตโธชีวิตที่เป็นอยู่ประกอบด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐตามหลักสติปัฏฐาน นี่ห้อยเราก็จะวัดสติปัญญาส น, นั่นแหละที่พระพุทธเจ้าบอกพระว่าให้เอาเป็นที่พึ่งธรรมะธีปาธรรมสรณนาอนัญญาธีปอนัญญาสรณามีทําเป็นที่พึ่งมีทําเป็นที่ระลึกแกมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งแกมีสิ่งอื่นเป็นที่ระลึกเลยหลังจากนั้นท่านก็แสดงเรื่องสติปัญฐานให้ชีวิตเป็นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะอย่างนี้ดูมันให้ดีๆ เรียกว่ามีสติตามทันปัจจุบันชีวิตอยู่ในขณะปัจจุบันรู้ทุกอย่างได้ยินทุกอย่างเห็นทุกอย่างแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างไม่ให้มันเป็นนายเราเราไม่ต้องเป็นทาสของอาญาตนะเป็นนายของอาญาตนะสยังวสัสมีอานาจเหนือจิตมีชีวิตอยู่ในขณะปัจจุบันผู้ที่เป็นอยู่ตามหลักการนี้ชื่อว่าผู้มีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงคนจานวนมากไม่ได้มีชีวิตอยู่ เพราะชีวิตของเขาอยู่ในอดีตบ้างอยู่ในอนาคตบ้างแต่เรานี่มีชีวิตยอยู่ในความเป็นอยู่ปัจจุบันเมื่อมีชีวิตยอยู่เต็มที่ในขณะนั้นก็ไม่มีความขาดแคลนไม่มีความบกพร่องไม่มีความขาดแหว่งไม่มีความเครียดกระวนกาวายเกิดจากความอยากเหนียวยากดึงไม่มีความความอยากเอามาดึงเราให้ไปสู่อดีตสู่อนาคตเป็นเหมือนอย่างที่ถูกยืดออกไป รับรู้และสะเวทอารมณ์แต่ละขณะอย่างเต็มบริบูรณ์เสรจสิ้นไปทีเดียวชีวิตมันพักผ่อนอยู่ตลอดวิญญาณมันพักผ่อนไม่กระวนกระไวายไม่ดิ้นรนไม่เร่าร้อนสงบวิเวกจากการยึดมั่นถือมั่นจึงมีความสุขเต็มอิ่มอยู่ในตัวมันทันที ท, ทุกขณะทุกขณะทุกขณะไม่ต้องอาศัยความสุขชนิดที่เกิดจากการสนองระงับความอยากดับทุกข์ไปได้คราวหนึ่งนึง คือไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นที่จะต้องคอยตามดักพูดง่ายว่าเรียก ง, ง่ายว่าความเป็นอยู่อย่างไร้ทุกข์ซึ่งหมายถึงการมีความสุขบริบูรณ์อยู่ในตัวของมันแล้วตลอดเวลามันก็ได้พักผ่อนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละหูก็พักผ่อนตาก็พักผ่อนแก้มก็พักผ่อนกายพักผ่อนจิตพักผ่อน ได้ยินได้เห็นได้รู้แจ้งที่พระพุทธเจ้าว่าทิเทสุตเตมุตเตวิญญาตเตได้เห็นได้ยินได้รู้แจ้งอวิจริเตได้แสวงหาได้พิจารณาด้วยใจนัอุปทัยยึดสามิไม่ยึดมั่นสิ่งไดนะจะเมตันนิสิตโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยความ รู้สึกนึกคิดไม่ไปแอบเองิงอาศัยอยู่ในอดีตในอนาคตในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะมีความทุกข์ในไหมพระพุทธเจ้าท่านก็นบอกว่าเป็นอยู่อย่างไม่แอบเองอาศัยไม่มีความทุกข์ความเป็นอยู่อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานมีความไร้ทุกข์เป็นพื้นฐานผู้ที่มีความไร้ทุกข์มีความสุขอย่างนี้เป็นพื้นฐานของชีวิตแล้ว เมื่อต้องการเสวยความสุขอย่างไดอย่างใดที่อยู่ในวิสัยของตนก็เสวยความสุขนั้นนั้นอยากได้รับความสุขเต็มที่ถ้ายังเป็นผู้หาความสุขจากความอยากอยู่บ้างแม้ในเวลาที่ไม่มีสิ่งสนองความอยากหรือไม่อาจสนองความอยากได้สุดวิสัยก็ไม่ประสบปัญหารู้จักมันแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้ก็ไม่เห็นจะเป็นทุกข์อะไรแม้จะอยากอยู่เห็นว่ามันไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ ี่อยากเฉยๆรับรู้รับทรา บ, บว่ามันยากเราก็มีความสุขแบบไร้ทุกนี่ยืนพื้นเป็นหลักประกันอยู่นอกจากนั้นด้วยเหตุที่ไม่มีเงื่อนปมแห่งความทุกข์เป็นปัญหาขัดขวางเหนี่ยวรั้งกับภายในบุคคลเหล่านั้นคนอย่างนั้นจึงเป็นผู้พร้อมที่จะทำกิจจัดการปัญหาต่างๆภายนอกไม่ว่าของบุคคลของสังคมอย่างได้ผลเต็มบริบูรณ์แห่งความสามารถของเขา เนี่ยความหมายของสิ่งที่พูดมานี่คือนิโรธแปลกันว่าความดับทุกข์ซึ่งจะต้องเข้าใจลึกลงไปให้ถูกต้องว่าเป็นการทําให้ไม่มีที่ทุกข์จะอยู่ในใจจึงจะต้องดับมันอีกนิโรธแปลว่าการกระทํำให้ทุกข์มีในใจเพื่อจะดับมันไม่ต้องไปดับมันเลยเพราะว่ามันไม่มีมาให้ดับนิแปลว่าไม่ออื โรธาแปลว่าที่กัน้นนิโรธาไม่มีสิ่งใดมากั้นให้ความทุกข์ไม่เป็นแอ่งให้ความทุกข์ค้างอยู่ในใจน่าจะแปลกันอย่างนี้แหละแต่เราก็แปลว่าดับทุกข์ดับทุกข์ความจริงมันน่าจะลึกไปกว่า น, นั้นหมายกว่ามีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันจนไม่มีที่ตั้งอยู่แห่งความทุกข์นิโรธไม่มีที่กัน้นไม่มีที่เก็บ ทุกเอาไว้ทุกเกิดขึ้นไม่ได้มันไหลหนีหมดถ้าอย่างนี้เราก็เรียกว่ามีศิลปะในการดําเนินชีวิตอย่างประกอบไปด้วยสติปัญญามีศิลปะในการพักผ่อนอยู่ตลอดการคอยนะอั่อยท่านนักหลายทาความเข้าใจให้ดีๆว่าทําอย่างไรจะได้พักผ่อนมีสติอยู่ทุก ขณะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงแก่หมกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดให้มันเกิดสัมผัสเฉยๆที่เรียกว่าปฏิฆะสัมผัสปฏิฆะผัสสะคือการกระทบกันแห้งๆ แ, แล้วก็เลิกกันไปอยากให้มันเลยไปถึงอธิวั จ, จนะสัมผัสอธิวั จ, จนะผัสสะตัวนี้ได้เรื่องหมายว่าตาเห็นรูปมันไม่หยุดจะเพียงเห็นมันเลยก็ไปถึงจิต มันมีสัมผัสสองชั้นเรียว่าทาวินแอคชัน่นดับเบิลแอคชัน่นมันทํางานกันสองชัน้นตาได้กระทบแล้วมันไม่หยุดมันเลยก็ไปถึงใจใจกระทบซ้ำสองเป็นมโนวิญญาณธาตุรับรู้ทางใจไม่พอที่นี่เกิดสุขเกิดทุกข์พอใจไม่พอใจเกิดอยากได้เกิดไม่อยากได้เกิดอยากอะไรต่ออะไรมันวุ่นวายไปหมดถ้าอย่างนี้มันไม่มีทางที่จะได้พักผ่อนเลย มันจะตรงนั้นโกกนตายนั่นแหละขอให้เข้าใจเพราะนั้นรักษาให้ดีๆพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอัภิจาหังอบุโสพยายามามาเตเตมัสสิงเยวะพยายามมาตเตกะเลวะเลสะส ญ, ญัมหิสมณะเกโลกันจะสมุทัยันจะโลกะนิโลทันจะโลกะนิโลทัคามนี ป, ปนิิปัทถติ ดูก่อนบรรพูมีอายุดูก่อนทำผู้เจริญเรากล่าวว่าโลกเหตุให้เกิดโลกความดับโลกหนทางปฏิบัติเพื่อดับโลกทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกขนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกอยู่ในร่างกายอันมีความยาวประมาณหนึ่งวามีสัญญาและใจนี้ชีวิตเป็นเป็นนี้เป็นที่เกิดขึ้นของโลกคือแดนรับรู้ระหว่างโลก ตาหูจมูกกลิ่นกายใจกับผู้เสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายอาเจตนาภายนอกภายในมันจะต้องกระทบกันอยู่ตลอดตาไม่บอดเห็นทุกอย่างหูไม่หกได้ยินทุกอย่างจมูกไม่ตายได้หอมได้เหม็นอยู่ทุกอย่างนี่เป็นเป็นเป็นที่เรียกว่าโลกอยู่ที่อาเจตนาเฮนี่เกิดโลกอยู่ตรงนี้ความดับโลกดับทุกไม่มีทุกตั้งอยู่ได้เลยเรียกว่านิโรธา โลกะนิโลทคามินีปฏิปธานติความดับโลกหนทางปฏิบัติเพื่อดับโลกดับความทุกข์ดับสิ่งที่มันแตกสลายยืนลงอยู่รู้เท่าทันมันเป็นธรรมชาติกระบวนการธรรมชาติจึงไม่มีที่ตั้งโยแห่งทุกข์ไม่มีทุกข์ที่จะต้องดับหรือทำให้เกิดภาวะที่ไร้ทุกข์ นี่ใช่เป็นเพียงการกําจัดทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วควรจะบอกความหมายของนิโรธนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งมากเลยเราถ้าทำอย่างนี้เราจะรู้จักว่านิโรธจริงๆนิโรธจริงๆนั่นนวนหมายความว่าไม่มีที่ตั้งของทุกทุกตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนน้าอยู่บนใบบัวอยู่บนใบบอนความตึงเครียดสัน่นเสียวมันไม่มีไม่ว่าเราจะรวยไม่ว่าเราจะ จนไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนจิตใจมันได้พักผรวิญญาณความรับรู้คอนซิสเน่ตัวนี้มันได้พักผ่อนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นศิลปะในการพักผ่อนทางวิญญาณคือความเป็นผู้มีสติฝึกสติปัญญานมีความรู้สึกอยู่ทางกายทางความรู้สึกนึกคิดภาวะของจิตและ สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงรู้จักมันรู้จักมันรู้จักมันแล้วก็ปล่อยวางอย่าหลงเข้าไปเป็นเจ้าของมันอย่าละห้อยหาในอดีตอย่ายืดไปสู่อนาคตรับรูรับทราบปรากฏในปัจจุบันแล้วก็ปล่อยวางอย่างนี้แหละความคิดพุดพึงปล่อยวางอย่างฟ้าผ่าจ้องให้ลึกในใจสุดชีวา พันเจอจ้าข้ามิใช่สิ่งใดเลยเห็นขบวนการของธรรมชาติทั้งฝ่ายที่เกิดขึ้นทั้งฝ่ายที่ดับไปอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยอย่างนี้เพราะฉะนั้นพยายามศึกษาให้ดีๆวิเวกตัวนี้เป็นที่พักผ่อนของจิตใจของวิญญาณที่เร่าร้อนกระวนกระวายอยากจะให้จิตส ง, งบอยากจะให้กายส ง, งบอยากจะให้ วิญญาณความยึดมัน่นเธอมัน่นทั้งหลายสงบมีสติสัมปชัญญะดีๆถ้ายังทำอะไรไม่ได้ก็เริ่มฝึกสมาธิฝึกสมถะเพียงแต่กำหนดลมหายใจทีเดียวลึกๆมันก็เกิดความวิเวกทางกายทางจิตจิตสงบกายสงบได้ลองลอลอ้ลอมสติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวโฟกัสเช o ย t อ e mind on the breathing in and out มีสติล้อมลงไปในลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ให้มันสับ์ตยไป เ, ยเพียงทำอย่างนี้ให้มันละเอียดสมุทสมติเขาละเอียดข้าละเอียดเข้ามันก็เกิดความสงบเพื่อว่าจิตตะวิเวกกายวิเวกค้าจิตมันสงบมันไม่รักไม่ชัง มันอิมมันเตะไม่กระวนกระไวายไม่หยหิวอารมณ์ใดอีกซื่อเปียมอยู่อย่างนี้กายมันก็สงบได้กายมันก็ลืมเจ็บลืมปวดลืมรวดลืมเล่าอะไรไปหมดแต่นี้ถ้าทำให้อุปธิวิเวชมีสติทุกขณะที่ตาเห็นลูกทุกขณะที่หูได้ยินเสียงจมโกกับกิน่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสใจกับความคิดอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น รู้เท่าทันแล้วปล่อยวางรู้เท่าทันแล้วปล่อยวางรู้เท่าทันแล้วปล่อยวางถ้าอย่างนี้เกิดอุปธิวิเวกสงบโดดเดี่ยวปราศจากสิ่งยึดมัน่นถือมั่นในใจจิตมันก็วิเวกกายมันก็วิเวกคือถ้าได้รวบยอดมันแล้วมันดึงรากขึ้นมาได้ทันทีเลยถ้าสามารถทำจิตวิเวกได้กายมันก็วิเวกกายมันก็สงบไปด้วย แต่ถ้าสามารถทำอุปธิวิเวกทำความยึดมัน่นถือมันให้มันสงบตรงทั้งจิตทั้งกายก็สงบได้ด้วยเพราะนั้นจะทำอย่างไรก็สร้างอุปนิสัยใหม่ความเคยชินใหม่คือความเคยชินที่ประกอบไปด้วยปัญญาตลอดจะรับรู้รับทราบทุกอย่างจากไม่ขี้เกียจปัญญานะประมาทเฉยยมไม่ประมาทปัญญาอย่าประมาทปัญญาอย่าประมาทความรู้คิดมากก็อย่าขี้เกียจ ร, รู้ มันเป็นอย่างไรก็อย่าขี้เกียรรู้จากมันรู้จากชมหน้ามันทำยาตะปริญญากำหนดรู้กำหนดรู้กาหนดรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อรู้มากขึ้นมากขึ้นมันจะเกิดปีรณะปริญญาโดยตัวของมันเองการพินิจพิจารณาโยนิโสมนสิกการที่ละเอียดมันก็จะเกิดขึ้นก็จะเห็นสิ่งที่เป็นคุณเห็นสิ่งที่เป็น